สำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทานนสูตรเรื่องราวในขันธบัพเรื่องราวของมหาปฏิปทานนนสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างขึ้นเอง ผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนขอ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าสรงตรัสดกล่าวว่ า, าปุณณะจัปปะรังพิกเวภิกขทธรมเณสุธมานุบัตสีวิหารติเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกคือษุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าทพราะว่าดูกรพิสุทธิทั้งหลายพิสุทในธรรมมีในนี้ ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความสเสวยอารมณ์ของรูปแลวก็กล่าวต่อไปอีกว่ายอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนา อย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี้มันไม่หมายถึงร่างกายนะสังขารนี้ขันห้านี่เลื้อความคิด แต่ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรนรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมรดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมรดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าใจเธอนั้นแต่เพียงสัจจะว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัจจะว่าเป็นที่อาศัยและลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าอย่างนี้แหลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เปลื่องคำที่ว่าผมเอาธรรมะ หามาสอนกันเองแล้วได้พูดกันตามในหนึ่งว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่เรื่องนี้องกลัวเพราะการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนําเัธธรรมคําสอนก็องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลี ที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน <c oughs> ถ้าเราฟังภาษาบ า, าลีกันเป็นดุนความเข้าใจน่าตัวจะไม่มีแน่นี่เราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะเป็นนักปราชก็ได้สำหรับในขันธ บ, บัพคุปปาทันในขันนี้ เป็นวิปัสนาญาลวนไม่ใช่สมถภาวนาเมืวานนินวอนยังเป็นสมถภาวนาควบวิปัสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปานบับเป็นต้นมาถึงนิวอนถ้า้นควบทั้งสมถะและวิปัสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธ บ, บัตรเลวปาทันใขันธคือขันธห้า คำม่า ป, ปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นมีปัสนายานล้วนความจริงเรื่องขันหานี้เราก็เข้าใจกันวันหนึ่งรูปคำว่ารูป ม, มีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่งุ ป, ปาทายรูปอย่างหนึ่ง ถ้าผมจะไม่พูดให้มาละเอียดจะยุ่งไ ป, ปเปล่าๆรูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาแต่บอกสภาวะของรูปเช่นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปและรูปนี่มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในดั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรถ้าไปรูปคนรูปสัตว์เราก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่ มีพ่อมีแม่จึงมีลกูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลกูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุกดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถวิปัสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกินเละตันหาุปาทานและอคุศ ล, ลกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัใจจัยให้เราเกิด เรื่องเวทนาสัญญาสังขารนิยานนะั้นมาเป็นเครื่องประกอบตัวสําคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเพื่อแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนี่กินเหล่ที่เกิดรูปกินเล่คือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเตือนว่าความชั่วเป็นของดี ความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจา้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศิล้านี่มันเป็นเหตุเบื้องตนอย่าทำร้ายกันอย่าอย่ารักจะขโมยกันอย่าแบบผูย่งความรักกันอย่ากโกหกประเทศอย่าดื่มสุราเม่ไรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่น ชอบเอาชีวิตเขาบางคนอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ไง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยง ต, งตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตเดียวค่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบแล้วเราไปฆ่าเขาแล้วเขาชอบไหมล่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบ ก็คงจะมีสติเกินร้อยเปอร์เซนต์เรียกว่าไม่บ้าขอบอตอนนี้ความช่วยอย่างหนึ่งที่เห็นก็นง่ายๆก็ได้แก่การลักกตรขโมยทำลายทรัพย์สินชับทรัพย์ของชาว บ, บ้านถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทานี่กา ร, รยื้อแย่งความรักของชาว บ, บ้าน เราชอบทำแต่เขามาทำกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบอการโกโหกโมเทสเราชอบโกเกาจะบ่ายเขาฟังแต่จะบ่ายเขาจะกโกกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบอการไร้สติสมัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญะ ทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กินเหลขคืออารมณ์ชั่วความสมองจิตที่สมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตันหายตัวหนึ่งคือความทยานอยากมีความโลภทะเยอทยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทรรมทุเจต นี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิด น, าานิอุปาทานอุปาทานคือการยึดมันม่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่พอร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ ในมานทีแกเกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แกนักนักเข้าล่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายมีเรื่ีเรียกว่าอุปาทานตัวยึดมันม่นถือมั่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่ขัดกับความเป็นจริง เพราะร่างกายเรามีความเกิดเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทำแล้วทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นเมื่อรมฝืนอย่างนี้ท่านเรียกว่าทานนี่ก็ยังคิดต่อว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก <c oughs> จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะทรงตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมัน่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริง นี่อกูสนแลกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วใจาการกระทาที่ทำออกไปมันก็ทำแบบเร็วๆการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่ง นี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้รู้่าการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยกิเลสตัณหาปาทานและกุศละกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความสเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านีนหนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจจาระปวดเสวะปวดไข้ไม่สบาย <c oughs> อยนนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจําจําดีบ้างจําชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเส็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบย่อ น, นี่สั ง, สงขารคือความคิด สังขารนี่แบ่งเป็ น, นเป็นสามอย่างเอาละอว่ากันงนะ่ายๆเนี่ยคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารสังขารคิดไปในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารสังข า, นนานนรขาทราญญาาาี่เป็นเอกขตารม์โรโนเมคารมเป็นส่วนกลางเข้าส่งถึงผลิภานเรียกว่า นนเนนชาวิสังขารมี <c oughs> สังขารคือองค์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับเนนอันนี้อเนนชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีอื่นหนึ่งไม่ละเมิดสินห้าสำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน <c oughs> โดยาการที่สองเราจะมีพรมีหันสี่ครบทวนประการที่สามเราจะระงับนีวอ์ไม่เข้มายุ่งกับใจประการที่สี่เราจะทรงกําลังใจให้มั่นอยู่ในอารมณ์สุขนที่เรียกว่าสมาธิประการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาคจริงของขันห้าให้พบ แล้วก็มายึดมือถือกันห่าว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการที่งสงคัญ น, นะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณ <c oughs> วิญญาณได้แต่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกว่าวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ ที่มีความรู้สึกสมัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักห ร, รือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดกรร็รู้รู้สมัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อ น, ม, น, ม, นมันเปรี้ยวมันเคมมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมาาื่อไร่วิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรา่มันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ <c oughs> อีกครับพุทธเจ้าให้ทรงฝึกใน สำหรับเนื้ปาทานในขันให้ฝึกตอนนี้ให้ฝึกโตละที่แรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมาที่กลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วว่าเกิดแล้วว่าแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย มันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคื อ, อคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่สามทางคือหนึ่งไปนะรกสู่ทุกติสองสู่สุกติมีมนุษย์เทวดาทุกข์ผม สามนิพานเราจะไปทางไหน <c oughs> <c oughs> เป็นนาว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสาคัญไว้ก่อน <c oughs> วัดยานเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายะภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรต ผ่านแบบผ่านแบบสุรกายผ่านแบบผ่านการแบสติรชันก็แย่นี่มันนับเป็นแสงกลับกวีกลับมาเป็นมนุษย์ได้สเสวยทุกขเวทนายอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่เป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสําคัญเราขาดทานะระเบลมีเราขาดพามีหันสี่ดังนั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระสูนทันบรมศาสนดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะสรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอันบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่ไปสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพรมิาญสี่คือเมตตาความรักในคนในสัตว์กุณาความสงสารในคนในสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่ฉาสิยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อกูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นอนุว่านั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอย่างนี้ได้ยว่าสงความดีแบบเตาเมา รวมความสันส้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสี่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม แล้วก็ยอมรับนับถือโดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทเจ้าความดีของวิธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้บริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถาอารมจิตกุมารดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเรื่องขันห้าครูปาทานได้แบบเบาๆอย่างเปเื้องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันดับนี้เป็นมระโสดาบันในเมื่อเป็นมันโซดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ปรไปพัน ถ้าสภาวะนี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมหน้าของธาตุสี่แล้วก็มีวิญญาณในท้เข้าขมาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในสุดขันห้าเต็มไม่ไความสุขโุกขันห้าเต็มไม่ไความโศกโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมหนือน้าสดตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดละ ไ, ได้กา ม, มารมณ์ใ น, นอบรมกำลังใจเริ่มหนัาพรหมีหารสี่ กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกจุดเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์เราจะมีความเมตตาสงสยัยกุศาเพื่อมนุษย์สัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงกาน ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทําให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทํากับขันห้าไม่จะทํากับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยว เป็นอนุว่าอารมณ์ของเรานี้ตัดความโกรธเช่นได้ด้วยอํานาจภูมิหานสี่น่าใส่ที่คิดว่าคันห้าไม่ทรงตัวเป็นสําคัญในตัดกาจะตักกดต ก, กาม า, ารมณ์เช่นได้คือรูปเวทนารูปเสียงกินรสสัมผัสที่ทําให้เกิดก า, าอารมณ์มีระบบความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอํานาจ อาสุดสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งามถ้าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็ดปจปัญินาสีสทรงตัดว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาเืยผม ที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่เาเจ้าะนิดพั น, นธน์มณฑวดาด้วยผมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่แ ล, ล้วล้มลงมปเสียได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่ลหลงไหลไฝฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไวเป็นกำลังเพื่อห้ำหั่นกิเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีหนรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รละการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขานเหมือนกันมีอการสามิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสีย ที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเมืกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวคนได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ทีร้ชั้นก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็ ม, มด้วยความเมตตาปราณีแต่เราก็จะตัดอุตจักคืออารมณ์พุ่งนิดหนึ่งและในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้มนิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอ ตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือผมเราก็นิพพานบนนั้นหรือก็วางภาระเสียเราตัดความพิจียดตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหนไหนก็ทําได้เหมือนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือผมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดไิชาคือเห็นว่าร่างกาย ที่เกิดมามีสภาวะเต็มเรีความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยดัญหาคือการมฉันทะและเก็อุตตรจ ะ, ะโอษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความเราตัดความพอใจในรูปฌานและรูปฌาน แต่ตัดความพอใจในมนุษยสโลกเทวโลกและภพมนุโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือผลิตภัณฑ์เห็นว่าเทวดาและผมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำนัดยินดีในมนุษยสโลกเทวโลกสละภพมนุโล ก, โล ก, ลโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือผลิตความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือผลิตภัณฑ์ และก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือสุสิ่งทุกอย่างในโลกว่าในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายนี้เราก็มันเดียงกันมันจะพังมา่อไรก็เชิญถ้าลมใจของวรนดาท่านนั่งไหลทําได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคุยก่าวว่าตัดอุปาทานนักขันใช้ได้ เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบคิดในพุทธศาสนาอรบันดาท่านพโยคาวจรทลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อ น, นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นให้คำพิจารณาและเวนนาตามอธัธยาศัยในในวิยาบทที่ท่านต้องการ จะจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ทำพยายายจนกว่าจะได้เวลาที่ตามตามมิ่านินสมควร